พิจารณความตายหีืจะพิจ า, ารณาอย่างใหก็นสดนอีกเรานั่งอยู่แตนี้อย่างนี่มันกสดพิจารณา เ, เรื่องความตายอันนี้เป็นของร่างกายไมใของเราเราทอดรับทอด ย, า ง, อยางว่าเราตายแล้วก็ทิ้งเวลาที่สมมต เ, เราตายลองคิดดูสิเมีมีะรลมหายใจเราไ ม, ม, ไลมหละเราตายพิจารณาอย่างนี้ ถ้าหากว่าใจของเรามันชัดเจนจะปล่อยวางเลยคุณพะ่านบคนตายน่ต้องทอดทลุลักเจ็นงค่อยตายเราแสดงเห็นง่ายๆภายนอกอะไรได้บ้าไม่เอาเรื่องนั้นไักจะจายเมี่ยเราแสดงเห็น แ, แสดงเห็นชัดทีเดียวเพราะฉะนั้นในเวลานี้เราสมมติเราตายมีอะไรบ้างทิ้งหมด เมื่อทิ้งของภาย น, นอกที่เป็นวัตถุและอะไรบ่มบดทิ่ปราดกฏเมื่อทิ้งหมดแล้วเขาจะมีอะไรเป็นเครื่องหมายมีอะไรเป็นเครื่องเยู่แสดงอธิบายให้ฟังมาแล้วคือ น, นอกจากความดีแล้วนีอะไรนั้นเราจึงตั้งใจพยายานรักษาความดีคือความสงบใช่ความดีอะไรสู้ความไม่ได้ความสงบไในเป้นของส่วนตัวเลยเฉพาะ เป็นสิ่งที่เป็นสาระอย่างยิ่งเราจึงต้องพอทอดทุกข์ว่าเราตายแล้วก็ยิดมันสงบได้คิดไปเวลาเเวลานี้เราตายแล้วมันก็ทอดทาุาต์ปล่อยวังก็ยังเหลือได้งสงบคนเรากลัวแสนกลัวเช่นไปเชิญกับภคยอันตรายาต่างๆกลัวที่สุดกลัวตายเมื่อไปเชิญต่อนหน้ากันจริงๆ จ, ง จ, ง จ, งจังแล้ว ไม่มีทางใครเที่ยงเลยต้องตายแ ล, แลหายกลมกลัวถ้าห่างยอมสละเลยแล้วหายกลัวคือกลัวตา ย, ยแต่ว่านั่นเป็นธรรมดาทั่วไปไม่มีล่ะหายแล้วก็เลยไม่จัดใจไปยึดเอาตรงไหนเป็นหลักอันนี้วิธีเพราะนักเราก็ลักษณะเห่นนะหนึ่งกันคือเรายอมสละเราอารมณ์ต่างๆ พอทุกขปล่อยวางล้้เข้าไปยึดเก็บแต่เรายังมีหลักคือเราจะต้องถึงความสงบรักษาความสงบให้มันคงต่อไปต้องมีหลักกมีวิธีอุบายสำหรับภาวนาทิจะหนาทั้งความตายโดยวิธีอย่างนี้จึงจะเข้าถึงความสงบได้ เอาเอาละเอาไว้นานๆ น, นมันจะจะจะลืมอธิบายแล้วก็ทำเลยเวลาเรานั่งมันจงเป็นจะต้องมีสิ่งมาลบกวนแล้วจะต้องต่อสู้โดยเฉพาะก็คือยุ่งบ้างความเหน็ดเมื่อยบ้างะภาพ ท, ท, ทุกอย่างของภายนอกนอกจากนั้นอีก ทั้งของภายในละเอียดเข้าไปเพรภายใ น, ยในฉะนั้นก็คือว่าใจพอใจมันเราตั้งใจจะทำความส ง, งบทแทนคล้ายๆกับมันวุ่นมันยุ่งมากยิ่งกว่าที่เราไม่ได้ทาความส ง, งบเลยแค่จริงเปล่าในเวลาที่เราตั้งใจทำความส ง, งบคือเรามองดูเข้าไปหาใจก็เลยเห็นเรื่องของใจเลยเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมากหาย ความจริงไม่ใช่มากเราต้องทันเราเห็นมันแล้วแต่ก่อมเราไม่เห็นเมื่อเราไม่ได้ทําความสงบคือเราไม่ได้ภาวนานมันเที่ยววันไปทั้งไม่ทำไมเรา่รู้เรื่องครั้นี้เราไม่เห็นแหละครนี่จะรู้สึกว่าทีา่ผ่านเรเป็นของมากที่จริงเปล่ามันน้อยลงไปแล้ ว, ลวจึงอย่าพากันไปกลัวและวิตกกว่า จะชำระมันไม่ได้สิ่งที่เราไม่เห็นในะชำระไน่ได้เมื่อเราเห็นเราชาระได้มีอยูุบายแล้ะนีวิธีการที่จะชำระได้ของไม่เห็นจะไปชำระเนื้ลง่างให้มันสะอาดได้อย่างไรใจยังเราเมื่อแทรกหนึ่งเรานั่นแหละทำความสงบหนึ่งไม่เห็นเลยไม่สะอาดไปถึงไหนทหนั้งนอยู่ไหนก็ไม่สะาดเวลามาทํำความสงบมันเห็นนคะครับนี่จึงว่มันลอยเข้ามาในอย่า ง, งมาก เมื่อมันเห็นนี่แหละจะเป็นเดือดร้อนเสียใจว่าโอ้โหมากจะเลิกเกินทําทไมจะทําไหวจะไปเดือดร้อนเสียใจอย่างนั้นขอให้ทาคนดีใจว่าอ๋อเราเห็นเวลานี้เรารู้ว่าเราเห็นตัวมันแน่เพราะฉะนั้นเราจะต้องต่อสู้โดยวิธีที่ว่าเนี่แหละมันมีหลายอย่างนี่วิธีต่อสู้ ต่อสู้อย่างนี้งจะมันคิดวุ่นวายไปมากมายไม่หยุดไม่ ย, ยังเนน่าทั้งความตายอธิบายมั้นั่นเาเรียกว่าวิธีต่อสู้ทิธีอย่างที่ว่าเด็กเเนี่ยวิธีทักต่อสู้โดยการที่นิ่มนวลในแข็งคือว่าทําความสบายปล่อยวางทอดทุระอารมณ์มันสบายสบายทําควอมพอใจในการที่เราเห็น ใจเราแล้วแต่วางใจให้เป็นกลางสบายสบายไปพอจิตพใจมันสบายมันก็ไม่ส่งมันก็สงบให้จัดตัวผู้ส่งเมื่อไม่ส่งมันมีลักษณะอย่างนี้เมื่อมันไม่วุ่นไม่สงสัยมันมีลักษณะอาการอย่างนี้มันสุ่งมันมันวุ่นวายสงสัยอาการลักษณะอย่างนั้นให้จัดตัวนั้นให้ได้ อันที่ว่านี่เป็นอุบายไม่ได้พูดถึงเรื่องปริกรรมหากว่าเราจะปริกรรมมันก็ทำนองเดียวกันนี้นึกพุทโธพุทโธหรือพี่หรือพิจารณาเราไม่ใจกออกหรือพิจารณาความตายให้จิตใจ้จด จ, จ้องอีกเฉพาะในสิ่งเดียวนั้นก็ลักษณะเดียวกันอย่างถ้าเราจัดได้อย่างอธิบายจะกีนนี้แล้วเราไม่ต้องมีปริกรรมก็ใช้ได้เหมือนกันมีหลายเรื่องที่จะต้องตกสู่ไปจด เราเฉาะอออกัว่าจิตของเราไม่ได้เคยไปจนต่อสู้นี่แต่มันขนาดขนาดเล็ดล่ำไปเราอยอมแพ้จะตลอดทุกเมื่อเวลานี้เราจะไม่อยอมแพ้จึงใช้อบายหลายอย่างหลายประการดังที่บายวันี้อย่างนั้นในเมื่ออารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาอย่าไปทอ้อถอยและก็อย่าไปเดือดร้อนขอให้ทําคม พอใจเราได้เห็นได้รู้เป็นของดีแล้วเราจะต้องมองดูให้มันชัดลักษณะการอย่างนี่ที่มันวุน่นวายและที่มันสงบมันเป็นยังไงจับจ้องมองตรวนั้นมันชัดเอ mm hmm. นะใจมือแล้วก็ตรงกลางใจเรียกใจอันใจคนก็ชี้มาที่ทาํากลางเราออะไรก็ตามโดยถ้าเรเป็นใจแล้วตรงกลางใจไม่ใจอะไรก็ตาม ต้งเชีตงตรงกลางอันนี้แหละลักษณะของจคนเราเนี่ยไม่เห็นใจกันไว้ด้จากตรงกลางผู้ที่ท่านฝุดฝนอบรมแล้วคืออบรมใจให้อยู่ในบังคับของตนในจิตส่งใจในจิตพู่นวายส่งหน้าส่งหลังจะเห็นใจเป็นกลางชักเชิงเพื่อเดียวไม่มีนอกมีไหนไม่มีไป ม, มีมา ไม่ได้อยู่ที่ไหนไมไ่อยู่นอกกายไอยู่ในตายไม่อยู่เหนืออยู่ต่าําม่อยู่สูงอยู่ต่ำเศรษใจน้าจะเป็นอันหนึ่งของมันอยู่ตา่างๆกลา ง, างนั่นคือผู้คนอบรมแล้วจะเห็นใจชัดแต่ามาธิบายเนื้อใบเข้าหลักท่านหลักเพื่อให้เขา้าใจว่าใจของกลักจะรู้ได้อย่างไรถ้าหากเราอยากจะรู้จะในขนาดนี้เราจะรู้ได้ใจของเรา เรากั้นเราหายใจสักหนึ่งไม่มีคิดหน่าคิดหลังส่งน่นตรงนี้อะไรนี่จะ ร, รู้รู้ว่าเรารู้อยู่ว่าเรารู้อะไรต่อไแต่ในคิดไม่ทราบว่ารู้อะไรแต่มารู้ตัวของมันเองลักษณะของใจเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าเราจะให้มันอยู่อย่างนั้นตลอดมันก็อยู่ไหมนะเพราะหัยใจลมเพราะการใจมันก็เลยไงส่ง มันก็อยู่นิ่งอ น, นั้นพอเป็นตัวอย่างให้เห็นชัดตัวใจอันนี้ทำยังไงมันจะเข้าถึงใจตรงนี้เขาต้องอาศัยการลมการฝนควบคุมโดยอาการต่างๆอนันต์นี่จึงจะอธิบายตั้งแต่วิธีที่จะคุมใจให้มันอยู่ให้มันเข้าถึงใ จ, ใจกลางนั่นแหละถ้าเรารู้ใจตัวนี้แล้วนะรู้รู้หมดเรื่องต่างๆในตัวของเรา หรือแม้แต่ในโลกนี้ทั้งหมดรู้ทีเดียวเพราะอะไรสิ่งที่วุ่นหยุ่มทั้งโลกทั้งโลกนี่แหละที่วุ่นที่ส่งสายเดือดร้อนอีนทุกอย่างทุกประการที่เราเห็นเป็นหรือเราคิดได้ทั่วทุกมุมโลกนี่แหละเกิดจากอำนาจของใจแท้แม้แต่ตัวของเราคนเดียวคิดดีคิดชั่วคิดหยาดละเอียด เป็นสุขเป็นทุกข์ดวดร้อนในประการต่งางๆรู้ว่าได้เจอตัวใจเหตุนั้นถ้าหากได้เห็นตัวใจจะเห็นอาการของใจหลักฐานรู้เรื่องอาการของใจความรู้ใจนั่นแหละเรียกว่าปัญญารู้ใจด้วยตนเองนี่หละเรียกว่าวิชารู้ใจด้วยตนเองนี่เรียกว่า ความสว่างเกิดขึ้นที่ใจรู้อันนี้เรียกวรู้โดยตนเิงรู้ว่ามีต่างาเป็นปัจจัตาา่างธรรมคั้งสองอลาจาะเรียกว่าเห็นโดยตนเองปัจจต่างเมธิตาโกวินยูหินวินยูชนพระพุทธเจ้าต่างตรงว่าวินยูชนไม่ใช่วิราชชนอันนี้เป็นวิวนยูชน วินยูชนนี่คือผู้ที่อบรมใจของตนเข้าถึงตรงนั่นแล้วเกิดความรู้ใจของตนอาการใจของตนด้วยอาการต่งางๆเรียกว่าวินยูชนรู้ได้เฉพาะตนพูใ้ในคนอื่นฟังก็ไม่รู้เรื่องเลยกิเลสพันหานัหาทอดแต่เรื่องสาระศาส ต, ตร์ต่งหมดจะปรากฏในที่นั้นเลย หรือจะพูดอีกนายหนึ่งก็พอมาเปียบเหมือนประตูเมืองสมัยโบราณถ้ามีประตูเข่าประตูออกมีนายประตูเรียกว่านายทวาวรสมัยนี้เรียกว่า น, า ย, า, น, ยย า, นายดานกลวดคนออกคนเข่าต้องดูบัตรประชาชนใครใครมาจากไหนรู้มดนายดา น, นคนรู้เลยเราอบลมใจแล้วนั่น ใจสงบแล้วอาการที่มันออกจากใจนั้นเรารู้นั้นก็เหมือนกันในด่านกรวดคนออกคนเขาไม่ต้องมีตำราที่เราเรียนรู้ตำราต่างๆนั้น น, น่าจะเป็นความรู้ของคนอื่นคนอื่นสอนเราคนอื่นที่สอนเรานั่นก็คือตำราผิดเขาได้มาจากวินยูชนนั่นเองคนที่รู้ด้วยตนเองชัด เกณฑ์แล้วเขามาเขียนตำราสึ้นมาแล้วก็เอามาสอนสืบเนื่องกันมาโดยลำดัแล้วก็ได้เรียนจากตํากาจดจําได้แต่มันไม่ชัดภายในเนี่ยลืมเป็นสายหนเสือลืมแล้วอันนี้นี่ยไม่ท่นไม่ไม่ได้เรียกว่าวินยูชนเรียกว่าปัญญาชนปัญญาคือความรู้ ในทางพุทศาสนาเนี้ยไม่ใช่ไม่เรียกว่าปัญญาสัเรียกว่าสัญญาคือความจับจากคนอื่นจดจำจากตำรับตำรายังไม่ได้เรียกว่าปัญญาอรับปัญญาคือความรู้รอบวิ ช, ชาคือความรู้แจ้งความรู้รอบคือรอบอะไรถ้าหากเกิดขึ้นที่ใจดังที่ว่านี้เนะี่ยเป็นเรีนิวชน อะไรเกิดอย่างเช่นความโกรธมันจะโกรธใครคนในคนหนึ่งขึ้นมามันไม่พอใจมันเห็นชัดคือนมาภายในเลยมันพุ่งออกมาคือว่ามันพุ่งออกมามันแสดงความไม่พอใจในคนนั้นนหละในคนที่เราโกรธเห็นชัดเด้ตนเองความโกรธอันนี้น่ะร้ากดรุ่มขึ้นมาได้ตนเองคือเห็นรอบตัวตัวของเราเนี่ยเรารู้ตัวของเราเองเรียกวารอบตัวรอบด้าน แต่คนอื่นบอกข่าวอย่างคนอนบอกข่าวค้องตรวดต้องไปยังไงงั้สแสดงตาการั้นเรียกคล้องโสดมาบึง้งหน้าเรี้ยว้ารพัดทุกอย่างสแสดงปฏิกิริยาเ่ยวตรงกลมอันนั้นมันเป็นคนอื่นบอกถ้าหากว่ารู้ด้วยตนเองนะ่ะมันไม่ถึงกับสแสดงหน้าตาลัษณอาการออกมามันปรกากฏชัดขึ้นที่ใจเลยทีเดียวอันนั้นเรียกว่าปัญญา ที่จะไปจำคนอื่นพูดให้ฟังเรีกยกว่าสัจยาในทางหลักพุทธศาสนวิชาคือรู้แจ้งชัดไปจักได้วตนเองไม่ลืมไม่ลืมเลยผมรู้นะชัดด้วยตนเองใครจะพูดว่าไม่ใช่ของไม่ดีใครจะพูดว่าของดีแล้วของไม่ดีไม่เชื่ออะไรหมดเห็นได้ตนเองตอนดีที่ตนทำแล้วไม่ดีที่ตนทำรู้ด้วยตนเอง เขาอื่นก็ต้องบอกเป็งว่าแจ้งชัดถ้ารู้ชัดรู้แจ้งรู้รอบอย่างนี้แล้วใช้จะไปต้าทังควชั่วเว้ น, น, นไว<ม>้เสยแต่ว่าคนนั่นจะยังเสียดายควาชั่วอยู่คื อ, อยังไม่ยอมทิ้งควชั่วมีพูดถึงเรื่องความรู้ใจจับใจไอะไรจะมีความรู้อย่างนี้จะได้ความรู้กว้างขวางอย่างนี้ จะเป็นเครื่องถอนลากของความชั่วและมูลกิเลสทั้งหมดได้อย่างพูดถึงเรื่องใจไปก่อนนะครัอันนี้วิธีที่จะฟื้นผลอารมณใจละครันพูดดีนิดหนึ่งว่าความคิดความอ่านความส่งใจวุ่นวายเรียกว่าอาการของใจมีหลายเรื่องอาการของใจ ค, ดคิดคือพวกคิดคุณอึก ทันยาคือควมามจำตั้งฐานคือวความปรุ่มของแตง่งวิญญาณคือความรู้สึกความโลภความโกรธความหลงคิฏฐิมานะตาปัจจุบุญเกิดไว้จากใจคือมันไม่เป็นปกต่างอะไรอย่างเขาเรียมันออกจากตอันตรายเรียกว่าอาการของใจมีมากคราวนี้เราจะตัดทอนหมันนั่นแหละให้มันหมดออกไปออกไปถ้ามันยังเหลือเด็กใจ แยกกวิธีอบลมพุทธผลเครื่องกรรมฐานลมใจงานของใจใจเป็นของมมีตัวแต่เห็นด้วยตนเองแต่เห็นด้วยตนเองการรักษาได้ยากที่สุดหน้าที่จะรักษาได้คุณวิเศษในการที่รักษาใจในทางพุทธศาสนาโดยเจพาะตัทยเยอะอัตตาดั่เตอัตตเทนะ ใจของเราเนี่ยมันเป็นของรักษาในทุกอย่างพึ่ผลนในทุกอย่างอัตราเขาเอชิต่ังเฉียวผู้ใดนนชนะใจเป็นผู้ชนะใจมันต้เสียได้แล้วอัตราเขาเอชิตังเยียวเป็นของปัจจุรันเราจะพิจารณาถึงเรื่องความตายเห็นว่าดวงเราเนี่น ต, น ต, ต้องตายแพ่งพิจารณาความตายขลียวแต่ย่ามไดกระทำเพรา ม, มีหลายเรื่องมันคนกัพิจารณาอารมณ์ใจ ทุกอย่างล่ะเรื่องอะไรใดก็ตามเถอะเป้าหมายนะเรียว่าเป้าหมายคือปฏิสมัมพันเรียกว่กรรมฐานให้มันไปจดจออ่อเฉพาะเรื่องเดียวให้มันกระทบอยู่นั่นเสมอถ้ามันกระทบอยู่นั่นแหละเราไม่ต้องไปกดเราไม่ต้องไปบังคับมันแต่ว่าถ้ามนันกระทบอยู่ตรงนั้นเราจะต้องทำความรู้สึกเฉพาะในเรื่องนั้นถ้ามันหนีจากนั้นเราก็รู้มันไม่อยู่แล้วเดี๋ดึงมันมาอีกทีแรกต้องอยากหน่อย ใจของเราอะเหมือนเหมือนกับตัดป่าถึงว่าอะไรหนิเราไม่เคยฟึกฝนอารมณ์มันก็ทาดื้ออยู่บ้างดึงม้า ก, ก็วิ่งหนีเดินม้า ก, ก็วิ่งหนีแต่มันก็ไม่เหลือฤทธิ์ใสซัดป่าก็ามาใช้ได้เขามาฟึกนฝนอารมแล้วใช้ได้มีค่าราค้าสุงใจขแงเรถ้าฟื้นฝนยังไม่ทําได้ก็ยังมมีค่าลาคาเท่าที่ควรจึงม่าเป็นการจําเป็น อย่างยิ่งที่เราจะสูญใจของตนการอธิบายในเมันต้นเมื่อเราให้มันกระทบอยู่ในสิ่งเดียวเรื่องอื่นมันก็หาไปใจมันของันเดียวเลยจะไปเข้าใจว่าใจมากเลยที่มากๆในการของใจเรามันเร็วใจมันเร็วที่สุดจับไม่ทันหรอกท่านอกปมาเปรียบเทียบไปเร็วที่สุด เมือนจะมีตัวมแมลงอะเรนจัดอยู่ที่หน้าทั่งแล้วอกข้อนตีตัวมแมลงที่มันอยู่หน้าทั้งตีทั้งแรงเลยเสียงตัวมแมลงนั้นดังแตกกับเสียงข้อนกระทบหน้าทั่งอันใดที่เร็วจะทราบเหมืนกันท่านดูวผมาเปรียบไว้ใ้ชวความเร็วของใจของขนาดเพรนฉะนั้นใจนะมันก็เพราะว่าเราเขา้าแจวใจมันมีมาก ใจไม่มากหรอกใจอันเดียวเมื่อเราไแพ่งพิจารณากรรมฐานอย่างพุโทโธพุธโทโธ ใ, ใจมันแน่วอย่างนั้นเรากําหนดให้รู้สึกว่ามันอยู่ที่พุโทโธแห่งเดียวมันออกไปสองไปสามก็ไม่เอาให้อยู่หน้าอันเดียวแล้แพ่งกำหนดอ ย, อย่างนี้ทําความรู้สึกหรือว่าแพ่งก็เรียกหรือว่าทํความรู้สึกก็ว่าได้รู้สึกในอารมณ์เดียวการู้สึกในอารมณ์เดียวนี่แหละ เรียกว่าสมาธิเรียกว่าการงานของใจเรียกว่ากรรมฐานเมื่อเราเพ่งเมื่อเราทําความรู้สึกเยี่ยนั้นอารมณ์อื่นมันหายไปหมดมันยังเหลืออันเดียวในภาษาทัางทำทัทง้ทงเอกระตาลมคืออารมณ์เดียวในเมื่อเราทำอยู่อย่างนั้นมันมีพลังเทียง พอสามารถที่จะวางสิ่งอื่นได้หมดเด็ดขาดแล้วครับมันจะรวมวุบเข้าไปเลยเข้าไปถึงใจที่ว่ามาในเบื้องตนนะ้นอันเดียวจริงๆเป็นของกลางจริงๆเลนั่นลหละเราจึงจะรู้จักว่าใจของกลาเราฝึกฝนอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ใช่มันจะได้ทุกขณะ ได้บ้างไม่ได้บง้งแต่ก็อย่าท้อถอยถึงจะไม่เข้าถึงขนาดนั้นก็ช่างเบื้องต้นแล้วจะต้องอบรมอย่างที่ว่ามาเนี่ยทําจิตในใจให้มันทําความรู้สึกอยาพ้อนอาลงมาเดียวเขาจะต้องต้องดูว่ามันอยู่ตลอดทุกขณะเอาแค่นี้ก็อนเสก่อนแล้วก็อยาาไปอยากให้เขียนและอยากให้รู้หรืออยากให้เป็นทิ้งไส้ก่อนเปนสองเป็นสามไปแล้วนะ ไม่ต้องอยากเราจ้องดูเฉพาะอารมณ์อันเดียวนั้นอันเดียวที่จริงๆถ้าอย่างเป็นสองเป็นสามอะไรละเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้เขารู้เห็นนา่นเขาเห็นยังนี้อยากจะเห็นอยากจะเป็นอย่างเขาหรือว่ามันจะเป็นอย่างนั้นไม่อมเป็นอย่างนี้ไม่ได้มันเป็นสองเป็นสามอะไรละแทนที่จะเป็นอารมณ์อันเดียวหรือกลับเป็นอารมณ์มากขึ้นมาจะต้อมาอธิบายเคื่ออธิบายกับการในเน้นก่อน เร่องต้นนี้โบราณท่านว่าตายคนหนึ่งคือว่าอย่างนี้เมื่ท่านเกิดตายแล้วยังไม่ได้เห็นอะไรอยากเห็นแล้วยังไม่ได้เป็นอะไรไม่ควรที่จะถึงไม่ท่านถึงนั้นเลยเลยอยางให้มาถึงก่อนเราทําตัวของเรายังไม่ท่านถึงขั้นนั้นมันจะไปรู้ไปเห็นได้ไหมอันเพราะเราเห็นตัวใจได้ก่อนสิรู้จิตใจอย่างที่ว่านี่เป็นคนรักษาใจที่ว่านี่มันได้เลยกัน จริงเน่าจะค่อเป็นมาจามหลังเระถ้าเราไมอยากเป็นก่อนยังมาทันได้หลังฐานมันผงเลย อ, อยากจะได้ผลมัน่ะแล้วต้นไม้แล้วปลูกเพิ่งปลูกอยากกินลูกกินผลมันก็เดียวกรดาบมันก็แย่ใช่ไหมันจะเป็นไปได้หรือเมื่อมันมาได้กันแลยวขี้เกียจแล้วัอนนี้ต้นไม้ท่นี้ปลูกมันก็ไม่ได้กินลูป ก, กินผล อยากกินวันจั้งวันมันไม่ได้กินหรอกเดี๋ยวไปปลูกใหม่เห็นเขาสวนเขาโน่งเขาดกแหนมันดกของเขาเขาของเราไม่ดีกว่บ้างไดินของเราไม่ดีกันบ้างหรือตอนทันของเราไม่ดีกว่างลรือเขาทำไม่ดีกันบางอยากไปปลูกอย่างต้นเขาอย่างสวนคขโนคูดแล้วไปย้ายแล้วปลูกเัินมันยังไม่คืนเด็เห็นเขาเป็นตัวเด็อยากยาคูดแลไปย้ายแล้ปลูกที่อื่นตัวเด็กสวนเขาอื่นตัวเด็กย้ายพยายามอารือตาย คนเราเมื่อทําอะไรไม่จริงไม่จรงเมื่อไม่เห็นผลเกิดขี้เกียจ็มื่ไม่จะได้รับผลไม่ใช่ง่ายๆเขาปลูกมาตั้งหกปีเจ็ปีก็่าจะได้รับผันเราใน่ระเดียวก็ะเดวอยากเอาอยากได้ผลแล้ไม่ได้แบบนั้นธรรมาฐานทั้งหมการงานนี่เป็นหลักฐานอย่างเดียวธรรมาฐานการงานให้มั่นขบคือเราทําใจให้มันแนว่วในอารมณ์เดียวอย่างอธิบาย ทำมัมั่นคงหนักแน่นลงไปอย่างล่าเรามันลึกมั่นคงไปสต่ก่อนผลไม่ค่อยเกิดกิเองครับนี้วิธีอบรมใจการงานของใจต้องทำแบบนี้แล้วอบรมได้แนละ้วสบายะกันมันจะมาชวนให้เราทุกข์เราท ม, มันทุกข์เข้ามามาชวนให้เราโศกันขั้วแล้วโศกของเรามันโศกเข้ามามันทุกข์เพราะอะไร ัทุกพ่อการอาชีพทุกพ่อไม่มีเงินมีทองทุกพ่อลูกหลานบ้านช่องทุกพ่อการงานอะไรต่างๆเรารู้เท่ารู้เรื่องของมันมันมาชวนเลาไปรุมใจเราไม่ต้องไปต่างลูกมันก็เกิดมาเพรลูกน้ามันก็เกิดเพราะหลานมันก็เหมือนกับเราเกิดมันก็แก่เจ็บตายเหมือนกันการงานแล้วะต่าหามิจัยต่างหากมาทําก็แล้ว เรามาหางานมาใส่กันเลยได้ทำงาน้างานอะไนั่นไม่ใช่มันเรียกเราไปทําเราไปทําล้วมาจังหันเราต้องการอย่างไดงานถ้าจ้องการได้นั่นแหะทำไมันยุ่งมยุ่งกับมันจะไหมมันยุ่งมันวนเวียนก็เห็นมันยุ่งมันวนเวียแล้วเราหากไปทํากังหันเรามาแบกมาหาแบั้นไม่ทำก็ไม่ได้ทานมันกับพ่อมันทุกข์มาเจอมาอย่างเป็นงั้นเกิดมามันทุกข์ฟังีเองเมื่ทุกข์ก็ทนทุกข์ไปตามเรื่องมันสิ จะไม่ทุกได้ยังไงทั้เกิดมาต้องการอยากทุกข์นี่สู้ทุกข์มันจนถึงที่สุดมันสิเจตกลุ่มไอ้ใจเดือดร้อนอะไรกันใครจะไม่ทุกข์ในโลกแล้วพุทธเจ้าตรัสแล้วบอกว่าพระเทศนาแล้วทุกทั้งนะั้นแล้วโลกนี้ไม่ได้ทุกเกิดขึ้นดับไปไม่มีอะไรหรอนอกจากทุกเกิดขึ้นแล้วดับไปพระองค์ตรัสว่าอย่างนี้แต่เราไม่เชื่อเราเอาทุกข์มาเป็นสุข ต้องน้ายทุกข์มากๆอันนั้นนะเราอะเป็นของดีสิ่งใดที่เป็นภาระมากๆอย่างจะได้ภาระนะ น, นั่นเราเรียกว่าเป็ น, ท, นทุกข์เพราะว่าเรจะต้องเทตนาเป็นทุกแต่เราชอบทุกข์ะเมื่อทุกข์เอาสิทนสู้ต่อไปดิเราสมาัครใจนี่จรงว่าถ้าหากเรารู้เรื่องเข้าอย่างนี้เราไม่ปล่อยตามใจาตาม้า ทำไปเรื่องมันจะทำดูแต่ตั้งขายร่างกายของเรานี่นะมันทำงานอยู่ทุกส่วนทุกนาทีวินาทีมันทำงานอยู่ตลอดเวลาเราไม่เกี่ยวข้องกับมันมันก็ะทำอยู่ตามเรื่องหุนแล้วก็เห็นยุ่งอะไรกับมันนั่นหน้าที่ขมันหน้าที่ของชีวิตของเราเกิดขึ้นมาจะต้องทำอาหารเลยคิดจะต้องประกอบการงานแล้วก็ทำตามหน้าที่มันจะอย่าไปหาเรื่องอย่าไปยุ่งเมื่อเราไม่ยุ่ง กระทำไปกระสักจะว่าทำมันก็สบายเพราะเรารู้เท่าเข้าใจอย่างนี้เราเห็นแล้วว่าใจเมื่อเราอบลมแล้วมันไม่ไม่มีอะไรมันมีแต่อันหนึ่งมันมีอันเดียวมันเป็นกลางที่มันร่วนในใจเป็กลางเราก็เทียบกันนั่นอยู่ตลอดเวลากําหนดให้มันรู้เท่าเข้าใจอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาเราก็ได้รับความสุขผู้เาญสุหาสอนมาให้ถือจะมาอธิบายเคยอธิบายแล้ว สอนให้ปฏิบัติปฏิบัติเพื่อประโยชน์อะไรเพื่ออะไรให้ค้นจากทุกทุกมีอยู่แต่เมื่อปฏิบัติเข้าไปถึงตรงนั้นแล้วมันพ้นจากทุกเรามีทุกนี่จึงเรียกว่าจะรู้เรียกว่าปฏิบัติตามศาสนาถูกหลักแล้วเข้าถึงจุดหมายของที่พระโอค์ตรีเทศนาไว้ไม่จะ่เอาศาสนามาถือมาบูชามาตักระศาสนาไม่ใชของถือไม่ใช่ขอ ง, อของบูชา้เราสอนให้ปฏิบัติ องตาเทศสนากลงกล้องเลยวะอาคัตาเรยัตถาคตาปฏิปนาปภโมกันจักเทศกลมกล้องเลยเราท้าทายโคตเป็นได้เพียงผู้บอกผู้สอนเท่านั้นแหละท่านทั้งหลายผู้ได้ยินได้ฟังปฏิบัติตามหากจะพ้นจากทุกข์หรอกนี่ท่านสอนกลงกล้องอย่างนี้แต่เรามันทำไม่ไดแล้วก็เอาศาสนาบูชาไปใช่ไมื่อเอาศาสนาบูชากันเลยขอความศักดิ์สิทจากศาสนาอะไรอะไรทั้งหมด ขสให้ศาสนาพิเศษที่อาจจะนั่นไม่มันเลยผิดหลักไปาจากเพราะฉะนั้นการอบรมกรรมฐ า, านจะเป็นการจําเป็นถ้าเราทําถูกหลักนี่ก็ได้ที่ว่าเราปฏิบัติรักศาสนาถูกต้องแล้วเราเข้าใจศาถนาถูกต้องดีงามจึงจะเป็นผลประโยชน์แก่เราพุทธศาสนาีิกชนจะไปโทษพุทธศาสนาหาพุทธศาสนาหโดยความสุขประโยชน์ในแก่ตนไม่ใช่ยอย่างนั้นจะให้ศาสนาโดย เม่พอนาุทุกสิ่งทุกประการไม่ได้แลาวม่ะชศาสนาให้เจ้าศาสนาใร้เจ้านั้นเป็นศาสนารับใช้คนทั้งโลกพระพุทเจ้าไม่้รัใช้ใครเราสอนให้ทุกคนพากันอารม์ใจขตนคือปใจไปไปายลายจใจงตนให้พ้นจ็าจัทุกโดยการเข้าไปเห็นของจริงได้อธิบายอนีอ้เอาละภาวนาการตอสู่ ไม่ไดต้องต่อสู้กับค่าศึกคัตรูของหัวใจคือความไม่สงบสคือการส่งอะได้นิดๆห น, น่อยๆกัปรากฏึ้น ม, าม้ามดเวลาเราสงบลงไปนิดเดียวถ้าหากเราไม่ได้ทาําความสงบคล้ายๆก็ไม่ม อ, อะไรเลยแท้ที่จริงวันนีปึ๊บมันจะไหนแต่เราไม่ได้เข้าหาจุดนั้นเลยไม่เห็นปวงคือไม่เห็นอาการธิบานในสาระนี้ พอแล้วเข้าถึงตัวนั้นนะเห็นอาการของใจเลยค่ะอู้หูเหมือนมากจริงจริงจังนักเราก็เลยเข้าใจออกมันมา ก, มา ก, มากหลายคืนหลแล้วก็เลยเบือ่อเลยเห็นใจเป็นของมากแล้วก็เลยเบือเ่อเลยไม่ขี้เกียจเลยไม่อย า, ากภาวนาปล่อยตามเรื่องจะดีกว่ า, ามันไปอย่างนี้เลยคนเราเมื่อไม่เข้าใจของใจความเป็นจริงแล้วเห็นดีกว่าไม่เห็นแล้ว เ, เห็นใจนั้นมีทั้งทานที่จะแก้ไขใจมีทั้งทางที่จ ะ, ะนับ ชำละเขาไม่เห็นไปชำละตรงไหนกันเขาไม่มีไปแก้ไขตรงไหนมันต้องมีสิมันผิดมันถูกแก้ไข า, ยยางนี้มันผูดมันผิดให้มันถูกอย่างนั้นจัิงจเรื่องควาคู่มีปัญญาแล้วผู้มีความสามารถจริงใจเลื่องคู่ฉลาดแล้วจริงเรืร่องู่แหงลึกเพราะฉะนั้นนี่วะในเวลาที่เรานั่งามาถักใครได้ไปยุ่งกระตามกมันเกิดมันเกิดตรงวุ่นวายจะเกิดใจให้มันได้ใช่ก่อนคือตัวกลาง ตัวเดิมมาได้เสียก่อนให้เห็นว่านั่นเป็นอาการของตัวใจตัวเดิมแท้ยังมีดังใ ห, ให้อธิบายสั้นแล้วเรากั้นใจไม่นีไม่มีการส่งเฉยอยู่คนเดียวมิตรผู้รู้มิรผู้รู้สึกหรือหากเราจะจับอันนี้ได้แล้วเราไม่ต้องปริการพุทโธจับตัวกลางได้่ังไม่ต้องปริการพุทโธตัวกลางคือตัวนี้อันนั้นไม่ใช่ตัวกลาง เรากับต <can the peso again> ัวนี้ได้กาหนดตัวนั้นเห็นแนวลงไปเลยได้เหมือนกันพุทโธหรืออนาปาสตินารณาสติอะไรก็ตามเนี้ยต้องการอยากจะจับโดยใจได้อย่างเดียวถ้าจับตัวนั้นได้แล้วมันเรื่องทั้งหลายนั้นไม่ต้องไม่ไม่ด้เกี่ยวเพราะงั้นอย่าไปท้อถอยถ้าหากเราไปท้อถอยเป็นมันยุ่งเลยขี้เกียจเหนื่อยเียแล้วออกจากวนาสมาธิ ที่หลังจากเงื่อนเก่าแล้วนะพขาไปถึงตอนนั้นเอาแล้วขี้เกียจเบื่อละไปถึงตอนนั้นอะไรขี้เกียจเบื่อละเลยเป็นไอจินเลยเป็นนิดใสถ้าหากเราเอาชนะมาสักครั้งหนึ่งละอุ้ยแค่นี้อะไรลูกเราของนิดเดียวที่มาเจียวตรองได้ไหะทีหลังเนี่ยก็้าหาญเด็ดต่อสู้เลยนี่ยังว่าการภาวนาคือการต่อสู้การภาวนาคือการไปจน ข้าศ็กประจันนิดมันเป็นประจักษ์ประการของใจทำมาภาวนากันเลยในความเป็นไปของการปฏิบัติที่ว่านี้เมื่อเราใช้อุบายปัญญาพิจารณาเนี่ยหายโดตัวเองคือพึอง่งผลเอื้อมใจนิเดเจ้กากรรมฐาน ทำยังไงแล้วี่จะรักษาใจให้อยู่แล้วจะคุมใจให้อยู่มั่นคงแนว่วแนว่จนใช้ใจได้จะให้ใจใช้เราที่เราปฏิบัติฝึกฝนอบรมนี้ก็เรียกว่ากรรมฐาน น, ะานั่นแหลนะม่ใไรแลนีการที่เราอบรมนั้นจะมีหลายวิธีในเรื่องอบายอบรมกรรมฐานโบราณท่านจะแนกไว้ สี่สิบอย่างแนวอานุสติสิบพุทธาานุสติและลึกถึงคุณประโยชน์ธรรมารังสิตและลึกป็นคุณกรรมฐานรังสิตลึกถึงคุณปรงสงคศีลารังสิตลึกถึงคุณสติจาคารังสิตลึกถึงคุณการละเป็นต้นถึงสี่สิบอย่างทั้งสี่สิบอย่างนี้ล่ะท่านจะแนบไว้เป็นหยาบเป็นละเอียด ประเภ ท, ไ ห, เทไหนหยาบประเภทไหนละเอียดควรที่จะเลื่อนนี่มาเล น, นเหมาะสมใจจรินนิดใสของใครเราใสกันจะแนกมาเยอะแยะเพาะนั้นเป็นเรื่องจำราสําหรับที่ท่านจําแนกไว้แต่ว่าทั้งเรื่องแนวปฏิบัติข้อเท็จกริงแล้วไม่ต้องไม่ต้องจาอําแนกว่าอันนั้นหยาบละเอียดเหมือนกันก็ เมื่อจิตรวมแล้วจะเป็นสมาธิในทํานองเดียวกันคือคณิกะเป็นครูหนึ่งข้าวหนึ่งแล้วก็เป็นอุปจาระจิตค่อยสงบลงไปมากขึ้นแต่ยังไม่ถึงกับเต็มที่อับปัญญาจิตแน่ๆจนถึงที่สุดคือปล่อยวางอย่างเดียวกัน จะมีการคัดค้านบวะ่าทำไมท่านยังจะ แ, กแนกไว้อย่างนั้นท่านก็คงจะได้ฝึกผลอบรมมาแล้วก็มั่งได้ผลประโยชน์อย่างนั้นเราท่านจำแนกไว้ก็มั่งพระธรมาจจะเลยอยากจะชักตัวอย่างให้ดูคือว่าท่านพุทธเจ้าของเราอยู่ทรงกระชอนชีพอยู่ฝึกฝนกรรมฐานม า, ามนเดีย๋ยงจะเป็นอันลนะเอียดอ่อนละเอียดอ่อนละเลีอ่ แม่แต่เห็นดินดินดำดินแดงดินขาวที่ลุ่มที่ดอนเป็นหลุมเป็นบอ่อท่านก็นให้มาพิจรารณาไม่เห็นอยู่ในกรรมฐ า, านขี่จิตคือพิจารณาไงดินดำดินแดงดินขาวปละวีคือแผ่นดิน ไดเจ็ดห้าที่มเงือนตัวตนของเราส่วนไหนมันดำนั่นก่อนนั่นน่ะเหมือนกันดินภายนอกส่วนไหนมันขาวกันมากเหมือนกัดินภายนอกส่วนไหงมันแดงกันจะดินภายนอกที่มีังื่อนตัวองเราครั้นี้เมื่อเทียนเมื่อเทียน้าอย่างนี้แหละต๋อของเรากับพื้นแผ่นแล้วช่พีระดินทั่วๆไปนะเมื่อครันงไม่ได้คิดเป็นอันเดียวกันเลย ที่นอนตรงนั้นเป็นหลุมเป็นบ่อที่นั่นเป็นโพงที่นั่นเป็นหลุมเป็นบ่อที่นั่นเป็นเนินที่นั่นเป็นโพงก็ดวงเราไปคิดดูสิเรานอนลองดูถึงที่เป็นหลุมก็มีที่เป็นบ่อก็มีที่เป็นโพงก็มีในดวงของเราแม้แต่เอียงจะคอขึ้นมาแต่หายปลาราดขึ้นมาก็ยังเป็นเป็นบ่อเป็นโพงอยู่แล้ว ดินภายนอกกับดินภายในเหนมือนกันพระผู้มาพิจารณาจารในที่โพงจะเทศนาให้ฟังให้ปล่อยวางอุปท า, านยึดมันสําคัญว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเนเข็นเป็นดินอธิบ า, ายฟังมาแล้วแห่ พ, พิจารณาเป็นทายมี่มัมนหยาบละเอียดอะไรครับมันละเอียดที่ความรู้ความเข้าใจชัดตามเป็นจริงเห็นแล้วปล่อยวางได้เป็น ถ้าปล่อยวางไม่ได้จะพิจารณาแยกแยะไปสักเท่าไรก็เอาไปทื่อมันเที่ยงไม่ลงปลอยไม่ได้วางไมไมันก็ไม่ไดเอียดอีกทีนนี่ตัวอย่างการพิจารณาในที่ว่ากรรมฐานอยากละเอียดไม่สำคัญสำคัญที่ผู้เราพิจารณาแล้วธีอันนี้เรียกว่าอธิบายเรื่องวิธีเดินกรรมฐาน วิธีที่เราปฏิบัติกรรมฐานคือเรารู้จักที่ตั้งคือตัวของเราและเรารู้จักคู่ที่จะมาพิจารณากฎฐานคือดําเนินกรรมฐานนั้มันได้เจ็บตัวใจจับใจตัวกลางให้มันได้ซะก่อนแล้วเรายังค่อยจะรู้จักว่าการเข้าใจไปจิตไปเจิสิท มันอยู่ยาก ค, ควบคุมได้ยากเมื่อเราจะควบคุมและควบผลใจตรงนั้นให้มันเข้าถึงใจตรงนั้นวเราจะต้องยกออากรรมถานอะไหนึ่งขึ้นเอาไปเจรินาให้จิตใจ จ, จดจ้องจดสะพอนเรื่องมีเรียก ว, วิธีดําเนินนี่วิธีดําเนินกรรมฐานปฏิบัติกรรมฐานนี่เลยนี่หลายไหนเหมือนกันหลายเรื่องหลายอย่าง อยา่างบางคนมากำหนดพุทโธพีจาาพุทโธพุทโธแต่จว่าพุทโธแต่ม่งคิดมันได้ ก, กันยนะังไเนี่ยพิจารณาได้มากมายแต่พุทโธพุทโธแล้วก็แล้วอันมีนานปิดบางคนพิจารณาพุทโธใจมาจดช่องมองยพอยู่เฉพาะพุทโ ธ, ดททโธเดียวให้จิตกระทบอยู่เฉพพุทโธเดียวเออนี่ค่อยดีขึ้นมาหน่อ ย, อยดีขึ้นมากๆทีเดียวละ มันจิตอยู่หรือจิตหนีจากมันมันจดจ่ออยู่ควานั้นหรือมันหนีจากนั้นเราก็รู้เดี๋ยวนี้เราต้องการคุมว่ามันอยู่ในที่เดียวเพื่อมันอยู่ในอารมณ์เดียวจุดเดียวเมื่อนี้เราก็ดึงมันมาเมื่อมันอยู่เราก็รู้ว่ามันอยู่เมื่อมันอยู่จิตมันก็จะค่อยอ่ออลงไปมันจะค่อยละเอียดลงไปอารมณ์ก็จัมันาก็ถอนมดปล่อยวางหมดจนกระทั่งรัววูบเข้าไป รวมมุเข้าไปแล้วก็เฉยนิ่งแบบนี้ดีดีใช่นหมแล้วบางอย่างบางคนไม่เอาได้ดักรว่างหมดเฉยเฉยอย่างที่เราหัดอบรมกันเรื่องว่างของว่างคำนวดข้าหาความว่างแล้วก็เฉยอย่างนี้ไม่ค่อจะดีเท่าไหร่นคือคำว่าความว่างเลยที่นี่น่ะ ยังไม่ได้ถึงความว่างต่ไปตรงตัวขมว่างเรียกว่าเดินลัดกัดไปหาความว่างเลยความว่างจะอยู่ได้สักครู่หนึ่งแล้วก็จะกดแขวนร่งองรอยปตามอาการไม่คิดเลยดีเลยมั น, นยังไม่ดีเลยถ้าก็จะอยู่ด้วยความว่างจริงๆก็จะทื่อนานๆ น, นะเขาเพราะฉะนั้นแรกกัดทื่อใช่ไมไม่มีปัญญาไม่รู้จกกักว่าจะไป หน้ามาล้งยังไงกันไม่จำแล้วไป็น่อทนัน่าขี้เกียจเบื่อเออไม่อยากทำหลายเรื่องฟังอุบายอันเดียวันนี้แหละแต่เวลาทำเป็นะลเป็นหลายเรื่องหลายอย่างผู้เรีจะเป็ น, นถ้าหากจะสรุปรวมเก็บคว ม, มง่ายๆนะพอจะจํำอะไรง่ายกว่าปฏิบัติ์มิตรสองอย่างอย่างนั้น ต้องการให้สงบอย่างเดียวต้องเิดได้หากมาอย่างหนึ่งนั้นมันสงบและจะต้องเข้าไปคิดคนถงเรื่องของสงบไปดูอาการของความสงบมันให้รู้เรื่องว่ามันสงบได้จริงไหมมันสงบจากอะไรทำไมไมันจะต้องมาสงบที่เรามาสงบนี้เราพิจารณาอะไรก็เาพิจารณาะหัอนอะไรไม่ใช่ประมสงบไป พิจารณาคิดคนหาเหตนผลของความเที่ยงธรรมของคนนั้นคิดคิดคนที่ว่านี่มันยังไม่สงบเต็มที่ที่ยังมีอุบายที่ผลคิดคนได้ถ้าสงบเต็มที่หายวับพูดอะไรไม่ได้พิจารณาได้ไม่ถูกทั้งหมดที่อธิบายฟังไว้จิตพักลึกเข้าถึงสมาธิไม่จะเรียกว่าปัญญาก็าใช่ เรียกว่าเราสร้างพลังใจของใจถ้ามีพลังกล้าหาญต่อสู้ประสังจนลูกล่วงใด้ไม่มีอะไรเลยได้แค่นั้นผลประโยชน์ในขนาดล้วพิจารณาได้ไม่ออกไม่ได้ไม่เข้าไม่รู้เรื่องทั้งนั้นพิจารณาได้ไม่แรงั้าหากล้วสร้างพลังใจตรงนี้มีกําลังแล้วเวลามันพอดสมัย่างนั้นนะครับ มันจะมีความรู้สึกนึกคิดอยู่ในหน่อยแต่เฉพาะในเรื่องอารมณ์ที่เราที่จะนัาแล้วที่เรากําหนดมาแล้วที่เราค้นคว้า ม, มาแล้วที่เราชาระจัดการมาแล้วเห็นเหตุเห็ น, หนผลให้คุณเห็นโทษมันปล่อยวางอะไรต่อแลไรมาได้ทั้งหมดเราพยายามมันหมายยังไงมันไปยงไงไม่องนั้อนไปทิ้งไปปล่อยไม่อั้อไปวางทําไมยังตะ ก, กอนไม่เห็นโทษเวลานี้ทำไมยังต้องเห็นโทษมันจะไปคิดคนอยู่างเพียงเหร เรียกคิดพ้นหาเหตุผนในเรื่องนั้นตรงนี้จึงเรียกว่าปัญญา